ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายทรรมจากหมหาวิทยลาลัยศรีประทุมกำลังนำเสนอสมาธิที่สูตรมาถึงเรื่องของวิยาสัมโพชฌงค์กรงธรรมที่จะนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้บรรลุธรรมหรือตรัสรู้ธรรมก็ทรงจำแนแกแสดงไว้ทั้งหมด ก็มีเจ็ดประการด้วยกันจะเห็นว่าพศชงค่อนข้างมีชื่อเสียงในด้านกาจัดโรคเพราะว่าประวัติความเป็นมาของพศชงเกิดขึ้นมาจากคำหนึ่งพระพเจ้าทรงไปชวนไปจุนทะก็ไปสาธยายพศชงให้ทรงสดับก็ทรงเกิดธรรมปีติก็หายจากโรคต่อมาพระ มามุคละคลานะและประมาณกัส ป, ปะก็อาภาพพระเจ้าก็ทรงแสดงพุทธชงให้ฟังท่านก็หายจากอภาาัตันบางคมั้ากล่าวก็แยกเดี่ยวมาเป็นรูปของคาถาที่จะกล่าวแก่คนซึ่งกำลังเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ แต่ว่าเาเกิดธรรมบีติก็อาจจะบรรเทาบาบางลงไปหรือถ้าไม่แรงก็อาจจะหายไปหลักธรรมใหญ่ที่กล่าวมาในตอนต้นก็คือสติธรรมวิจยะแล้วก็วิริยะโดยเนื้อหาสารธรรมะก็คือสติก็คือสม า, ส, ส, มาสติธรรมวิจยะก็คือสมาธิทิก็สมาสังกปะ วิยาก็คือสมาวยามะซึ่งอยู่ในส่วนของปัญญาศิกขากับจิตสิกขาก็ทรงสอนในทํานองเดียวกันในข้อต่อไปนั้นทรงสอนเรื่องปีติปีติเป็นลักษณะของจิตที่เออบอิมซืบเนื่องมาจากจิตที่มีความสงบสิ่งที่จิตได้สัมผัสเป็นนามธรรมา แต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะเทียบเคียงกับรู ป, รปธรรมที่เราสัมผัสเกิ อ, อาการของความดีใจแต่ว่ามันก็แตกต่างกันในรายละเอียดแต่ลักษณะของใจที่ฟูขึ้นมาก็คล้ายคลึงกั น, ท, นท่านอธิบายว่าพิสูจทั้งหลายทำทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งปิติสัมพจธชง ควรทำไว้ในใจโดยอุบายที่แยบคายและการทำไม่มากนี่เป็นอาหารคือเป็นปัจจัยเพื่อเกิดปีติสมโพชงที่ยังไม่เกิดเมื่อเกิดขึ้นหรือเป็นไปเพื่อให้ปีติสัมพชงที่เกิดขึ้นแล้วพินโยภัยบูนเจริญยิ่งขึ้นภุตตะพข้อนี้เป็นการแสดงถึง กรรมฐานซึ่งเป็นตัวอารมณ์ที่ทำให้เกิดปีติสัม์ชงขึ้นภายในใจของผู้ประพฤติปฏิบัติโะยเพราะว่าในแต่ละข้อก็มีประวัติความเป็นมาที่ยิ่งใหญ่ mm hmm. เช่นพุทธานุสติเนี่ยก็ช่วยคนบรรลุมขุนเป็นพรานมาแล้วเป็นจำนวนมากที่เริ่มต้นมาจาก มุธานุสติแต่ว่าในแง่ของความจริงกระบวนการทางจิตเขาก็เดินไปตามลำดับดังกล่าวในที่นี้พระตัตถาจารย์ได้แสดงถึงเหตุเกิดของปีติไว้มานมาแล้วเราเคยเจอธรรมะชุดนี้ในรูปของอารมณ์กรรมฐ า, านก็มีการ อธิบายขยายความที่ค่อนข้างพิสดารแต่ถ้าเราพิสดารก็นานนะนะประสรงจำแนกว่าจะแสดงถึง11ข้อด้วยกันก็คือพวกอนุสติ10แต่ว่าเอามาบางข้อคือพุทธานุสติการตั้งสติตามแะลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า ต่ปกติที่เราทำกันมันก็มีอยู่สามสี่แนวด้วยกันแนวหนึ่งก็เอาพุทธคุณเป็นสาธยายให้จิตสงบอยู่ ก, ก, กับบทพระพุทธคุณก็ อ, อิติปิโสปะกวาพูดง่ายๆว่าการสวดมนต์และในชั้นที่สองก็เอาบทพระพุทธคุณมาเป็นบทภาวนาเป็นตัวตั้งแห่งสติ ตาปกติท่านมักใช้คำสองพยางพอตะคำหลายพยางเนี่ยมันจะยากจะนพุทโทรหรืออาจจะพุโทโธหายใจเขา้าพุทใจจาะกับโธหรือหายใจเขา้าพุทโธจะพุโทพโธนี่ผะไวแต่ถ้ายาวๆเช่นวิชาเจะนะสัมปันโนอย่างนี้มันยาวเกินไปพะสุก็โตยังผะไวนะฮะ แต่โดยปกติแล้วก็ออกคำ่าพุโทโธเพราะว่ากรอบของพุโทโธนี่มันใหญ่มันครอบคลุมพระพุทธคุณโดยสรุปไว้ทั้งหมดเล่าพุโทโธจึงแปลว่ารู้แปลว่าตื่นประเบิกบานไอา จ, จะแปลว่าปลุกผู้อื่นให้ตื่นด้วยหรือจะว่าพระอาจารย์กรรมาฐานที่เป็นสายพระอาจารย์มั่นปุริทัตตมาเทระ ก็คงจะมาจากอาจารย์สอและก็น่าจะย้อนต้นไปไกลกว่านั้นก็นียมใช้แนวพุท ธ, ธานสุสติคือการตั้งสติแล้วลึกถึงที่บทของรรพระพุทธคุณแล้วเพราะว่าพระเทรพรเท่าเหล่านี้อย่างเช่นหลวงปู่สาวก็ดีหลวงปู่แหวนก็ดีท่านจะไม่ค่อยสอน แต่ท่านจะให้ภาวนาวอภูตโตก็เคยพบเอกสารของหลวงปู่บุตรดารู้สึกก่าอยู่จงังหวัดสิงห์บุรีท่านก็ไม่ค่อยสอนเหมือนกันแต่ว่าเน่นให้ภาวนาประการต่อไปนี่เรายกเอาพระพุทธคุณขึ้นมาพินิจพิจารณาตรงนี้ต้องต้องอาศัยการศึกษาเรียนรู้ การทำความเข้าใจกับบทประพุทธคุณหลายปีมาแล้วสมัยที่ ม, มาเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยมางกุราติราลั ย, ย, ลยแล้วก็ก็แต่งตั้งให้เป็นท้ายทำหน้าที่สัมภาษณ์นักศึกษาที่เข้ามหมกเราใช้สูตรเดียวเราใช้อิติบิสุสุดเดียว นักศึษาทุกรูปเราใช้สูตรเดียวแต่ว่าเขาก็ไม่รู้กันแน่ในชัน้นแรกก็บอกให้สาธยายอิติปิโสให้ฟังก่อนในชั้นที่สองก็ให้แปรในชั้นที่สามให้อธิบายอธิบายก็คงไม่อธิบายทุกบทหรอกแต่ว่าเราก็หยิบมาสักบทสองบทหนึ่งให้ลองทําความเข้าใจดูซิว่าหมายความว่ายังไง เรื่องมเรื่องมน่าเชื่อนะมีเป็นนันมากที่ตกเพราะว่าแปลไม่ได้ถามว่าทำไมแปลไม่ได้คือไม่เคยตั้งใจแปลแต่พออธิบายส่วนใหญ่เนี่ยจะอธิบายไม่ค่อยได้แม้การสอบข้าวอนุสาสนาจารย์ของทับบกเขาก็มักใจพุทธคุณเนี่ยแต่ตามปกติแล้วเราไม่ค่อยลึกอะ แน่นอนหรือจริงๆมันอยู่ที่จิตสัมผัสแต่อย่างน้อยที่สุดก็ควรจะเข้าใจเพราะในขณะที่ภาวนาเนี่ยเราเห็นว่ามันมีสติสมัจจานะความเพียรที่ต่อเนื่องกันแล้วไปถึงจุดหนึ่งก็จะเข้าถึงปิติและการพิจารณาเนี่ยมันจะเกิดปิติเมื่อเราเห็นลักษณะของการพิจารณาก็คือธรรมวิจยะ แล้วก็ต้องมีสติแล้วก็มีความพยายามพอพิจารณาไปพิจารณาไปถึงจุดหนึ่งจะเกิดความรู้ความเข้าใจมันก็จะเกิดปีติระบรจิตมันก็เดินไปตามกระแสของโพชกหรือพยายามปฏิบัติพัฒนาตนเองให้สัมผัสพระพุทธคุณก็คงตามกําลังความสามารถที่เราจะสัมผัสได้นะฮะ เราควรที่เข้าถึงพระพุทธกุลได้สมบูรณ์ก็มีเฉพาะเราพเจ้าประหารที่จริงมันก็อยู่ระดับอรหัตตภูมิมันไม่ใช่เข้าถึงพุทธภูมิวิญญาณความรู้ของท่านก็เป็นญาณระดับพระอราหันต์ไม่ใช่ญาณระดับพุทธญาณซึ่งชื่อยานด้วยกันแต่ว่ามีความลึกซึ้งไม่เหมือนกันแต่ถ้าเราสัเกตจะเห็นว่า ถ้าพยายามตั้งใจนะฮะไปร้อยเปรเซน์มันทำไม่ได้แน่ยินยกตัวอย่างว่าอารหันต์เนี่ยแปลว่าอารหันต์คือกรรมแห่งสังสารวักรกรรมแห่งสังสารวักรก็คือวิชาตนาวปาทานกรรมก็สรุปกิเลส ก, กับกรรมทำยังไงจะลดกิเลสแล้วจะลดกรรม รัฐการที่มันเป็นความรุนแรงนต่างๆคือเราเห็นว่าบ้านเมืองเราเนี่เป็นเรื่องแปลกปัญหาเศรษฐกิจเราก็ยังไม่ยุติปัญหาสังคมเราก็มีเยอะหลายๆเรื่องปัญหาการก่อความไม่สงบก็ยังกระจายอยู่ในส่วนต่างๆปัญหายาบ้าปัญหาอาวุธเถื่อนปัญหา อาวุธสงครามปนน้ำมันเถื่อนปนอะไรสารพัดเลยแต่มีคนกลุ่มหนึ่งยังคอยไปปลุกระดมกันอยู่อีกมีทั้งสพิมพ์บางฉบับไปยกระโยกมาสนับสนุนส่งเสริมเขียนกันเป็นตุเป็นตะม่อนก่อนมีคนส่งอะไรเราเรียกวีซดีมาให้แตมาหกม้วนพร้อมกับมีจดหมายกำกับมา ก็พูดไปทำมองว่าตัวเองนี่รู้ความจริงนะาตมานี่ไม่รู้ความจริงมาเปลี่ยนแปลงไปไปเข้าข้างรัฐบาลไปเข้าข้างทนายกอาจารย์วิศนุก็ไม่เข้าข้างใครหรอกแต่ข้อที่ต้องเข้าใจว่าข้อมูลเรื่องสมเด็จพระสังฆราชก็ดีข้อมูลเรื่องอาจารย์บัวก็ดีนะฮะ ก้มูลที่เกี่ยวกับราชบัญญัติคณะสงฆ์ น, นี่อาตมารู้อาตมาเป็นวิทยากรรู้แล้วก็บางเรื่องเนี่ยเรามีส่วนนั่งอยู่ด้วยตรงนั้นแหละพราที่พูด๋มันเป็นเท็จเพราะที่เราพูดว่าเท็จเนี่ยคือรู้เรารู้เราเห็นทีนี้เมื่อเท็จ ห, หลายเรื่องข้าวเนี่ยเราก็นึกว่าเรื่องอื่นมันก็ต้องเท็จด้วยเปลียงแต่เท็จมากหรือเท็จน้อยแต่นั้นเอง เราก็มีสิทธิ์ที่จะที่จะฟังแล้วคิดนะเราไม่ใช่เป็นอนาณาลิคมของใครที่จะฟังแล้วเราไปเชื่อเลยเข้าใจเ็นว่าแม้แต่ธรรมะที่บรรยายไปเนี่ยไม่จําเป็นเนี่ยต้องเชื่อแต่ตอนลองคิดดูว่าถ้าใจเราพยายามลดอวิชชาพยายามลดตัณหาพยายามลดอุปาทานลงไปชบ้าง สุขภาพจิตก็จะดีขึ้นสุขภาพกายก็จะเป็นไปด้ยดีขึ้นมันเห็นได้ชัดเพราะถ้ากิเลสมันลดกรรมมันจะลดะเพราะกิเลส ท, ที่มันแรงเนี่ยกรรมที่มันแรงมันจะเกิดมันจากกิเลส ท, ที่แรงกรรมมันเป็นอาการของกิเลสแต่อย่าลืมว่าถ้าธรรมะแรงเนี่ยกุศลมันก็แรง พันธะลดพวกกิเลสลงไปแล้วก็พยายามเพิ่มธรรมะขึ้นมันก็ไม่ถึงกับหักหรอกแต่ก็หักได้เป็นคราวๆไปแล้วก็เป็นพวกไร เ, เรื่องปัญหาสภาพเแวดล้อมปัญหาสื่อปัญหาอารมณ์ต่างๆเนีเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ใจิตใจของคนก็อ่อนแอจริงๆนะ่ยอ่อนไหวจริงๆ ามากับเป็นอาจารย์พิเศษปัญญาวิชานิเทศศาสตร์แนวพุทธศาสตร์เราก็ต้องปูพื้นในทางกรอบของนิเทศศาสตร์ในทางโลกก่กอนประกรณาาักษามีข้อสงสัยเยอะและแสดงว่าเธอก็มีความโน้มเอียงไปในทางเชื่อข่าวลือนี้เยอะมากคื อ, อยังเรื่องบงเรื่องอย่างที่วันก่อนที่เขาถามถึง เด็กที่เนปาลบอกว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใหม่มาเกิดนั่งสมาธิหเดือนแล้วไม่ยอมกินน้ำไม่ยอมกินอาหารคืออย่าลืมมาที่เราพูดเนี่ยเราไม่ได้เห็นว่าเขาไม่กินเพียงแต่มีคนบอกว่าเขาไม่กินแต่คนไม่กินอาหารเนี่ยต้องพร้อมนะ เห็นไหมพระพุทธเจ้าแม้แต่เป็นพระโพธิสัมีบารมีแก่กล้าขนาดนั้นพออดพระกาหารก็ผอมาเสด็จไม่ได้มนุษย์ได้ไม่กินอะไรมันอยู่ไม่ได้หรอกประสัตวโลกมันอยู่ได้ด้วยอาหารเตอร์ทีนี้ถ้าเรามองอีกแนวหนึง่งมันก็ดีไปอย่างหนึง่งอะเนปานลทิเม็ากับมังดังพะคนไปตื่นเด็ก บอกว่านั่งติดสมาธิในโพรงต้นโพอยู่หกเดือนแล้วแข่ง ก, กันไปที่นั้นมันก็ดีมันก็ลดความรุนแรงต่างการเมืองลงไปแต่ไม่ได้บอกความจริงเพียงถ้าว่ามันเป็นการเบี่ยงเบนเบี่ยงเบนกระแสสังคมแทนที่จะไปเพิ่มความรุนแรงต่างการเมืองมีการเข็นฆ่ากาันบาดเจ็บล้นตาเยอะแยะเนี่ยไปอยู่กับสิ่งเหล่านั้นก็ดีกว่า เพราะะันเราเห็นว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยคือเราไม่ถึงกับหลุดพ้นจากอานาจกิเลสแต่ยกจิตหนีซะบ้างได้ไหมหนีกิเลสนีอารมณ์เหล่านั้นแ่ะเรียกหักกรรมกิเลสเป็นคราวๆไปนะฮะแล้วก็ให้ไกลจากกิเลสมันอยู่ใกล้ก็เหมือนกับอยู่ไกลเพราะว่ากิเลสจริงๆถ้าเรายอมจำนวนมากก็มันก็เข้ามาอยู่ใกล้ เราดึงใจเราออกห่างไม่ปรุงคิดไม่คิดปรุงไว้ตามแรงของกิเลสมันก็ลดเองลดลงมาเองเป็นคนไม่ยอมทำบาปทั้งในที่ลับและในที่แจ้งนั่นคือพระอรหันต์เราก็พยายามฝึกตัวเองไม่ทำบาปไม่พูดบาปไม่คิดบาปเอาจิงๆก็คืออย่าคิดบาปถ้าไม่คิดเรื่องบาปแล้วการทำบาปการพูดบาปมันก็ไม่เกิด ทีนี้ต่อไปนี่ท่านเรียกว่าเป็นอาหุเนยะคือเป็นผู้ควรแก่การเคารพนับถือก็บุคคลทั้งหลายประเด็นนี้ไม่ใช่ประเด็นนะ น, นะก็ก็เป็นเรื่องแปลกเป็นเรื่องแปลกคือเอกสารที่ก็กำกับซีดีวซ d มาในวันก่อนเนี่ยพูดไปทำนองคล้ายๆกับเขานี่เคยเคารพนับถือมากมาเนี่ย แต่ว่าตอนนี้ก็เปลี่ยนไปก็ทำให้คลายความเคารพนับถือลงไปก็เราก็ไม่รู้สึกอะไระนะฮะใครจะนับถือหรือไม่นับถือไม่เคยสนใจเลยคือเราไม่ได้บวชให้ใครนับถือเราบวชเพื่อกาฝึกปลือตัวเราเท่านั้นเองตัอาจารทรงวางหลักไว้เลยนะว่าพระมรรชนี้ไม่ใช่ประพฤติเพื่อ ความเป็นที่ยอมรับรับถือยกย่องของคนทั้งหลายเพื่ออนิสงค์คือลาบสักรารชื่อเสียงเพื่อเป็นเจานา้าคณะเป็นผู้นำหมู่คณะอะไรต่อไรไม่ใช่คือคนนับถือเป็นเรื่องที่เขาทำบุญด้วยใจเขาไมไม่ได้เพิ่ม บ, บุญแก่เราอะนะ ถ้าพระประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปบัติสมควรคนเคารพนับถือเขาก็ได้บุญเขาเขาไม่เคารพนับถือพระก็คงได้บุญอยู่นั่นแหละและคนเคารพนับถือกันมากมันก็ไม่ได้เพิ่มบุญให้พระแต่บัญการเพิ่มบุญให้โยมคือมักจะทวงบุญตรงคุณในลักษณะอย่างนี้บางคนแรงมาแรงจะขอให้อะไรละเป็น ทรเด็จประสังกราชประธานล็อกเก็ตพระรูปให้ถ้าไม่ยอมก็จะลาออกจากความเป็นพุทธบอโยมกว่าเกินไปอย่ามาข่มขู่คุกคามแล้วมันไม่ใช่แสดงถึงความเป็นพุทธแล้วแต่อวดดีข่มขู่คุกคามเชื่อชูตัวเองนึกว่าถ้าตัวเองออกจากศาสนาศาสนาคงเสื่อมมันมันพูดอย่างนั้นมันมากไปคือขอก็ข อ, ขอท่านมีท่านก็ให้ คุณไม่ต้องไปต่อรองอะไรถ้าท่านไม่มีท่านก็ไม่ให้หลัาปกติแล้วก็จะตะขอเนี่ยท่านมีอะไรท่านก็ให้แต่มีข้อแม้ว่าท่านต้องมีแล้วปัญหาสำคัญว่ามันไม่จาเป็นอะไรจะต้องไปต่อรองอะไรมากมายขนาดนั้นคือบางเรื่องี้เราจะเห็นว่าเรามันขาดสติขาดสัมปชัญญะในการคิด ยันยกตัวอย่างได้พูดถึงว่าคนค่าแสนมาประชุมวันที่สวนลุมเนี่ยได้ยินจากปากของดร็อคเตอร์เลยนะฮะเป็นพระก็เป็นดร็อคเตอร์พูดมาจากสหรัฐอเมริกามาท้อเลยความแล้วเรโหดถูกก็ อ, อย่าลืมมาสวนลุมเนี่ยมันเป็นสวนนะฮะสวนมีต้นไม้เต็มไปหมดมันเป็นสระน้ำต่างเยอะ เป็นอาคารเป็นถนนเป็นอะไรๆเยอะแยะเอาแหละถนนมันก็นั่งได้แต่เราก็ไม่ควรลืมมีมรถมีรถก็ไปจอดอะคนเต็มแล้วตามปกติสวนลุมสนามหลวงเนี่ยวันหนึ่งวันหนึ่งตอนเย็นตอนตอ น, ตอนเช้าเดี๋ยมีคนไปบริหารร่างกายอยู่เยอะใครไปตั้งเต็น์ขึ้นมาตั้งสแตนขึ้นมาเริ่มพูดที่สนามหลวงที่สวนลุมเนี่ยก็มีคนมาฟังไงนะครับ แต่มากหรือน้อยแต่นั้นเองคือเราต้องนึกถึงสถานที่ด้วยพูดถึงเวลาพูดสถานที่พูดถึงบุคคลคนไม่กินข้าวนี่ต่อไปเป็นไรต่อไปเป็นไรต่อไปเป็นไรเราจะต้องนึกต่อไม่ใช่ไม่กินข้าวมาหกเดือนร่างกาย แข็งแรงถ้าทางไม่มี อ, อิดโรยร่วงโรยไรเ ย, เ ย, เยมัก็เกินเนี่เกินผลไปให้เป็นพระหันก็เอาไม่รอดหรอกก็ตวองไม่กินข้าวอะ่ะคือสูตรว่าสัตว์โลกทั้งหลายมันอยู่ได้ในอาหารเห็นไหมว่าถ้าเรามีมสติสัพจัญญาติที่ยิ่งเราก็ลดอะไรไปได้แต่ไม่ได้หมายความมัลดหมดธํามานุติก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกันคือหนึ่งสาทยาย สองเอาบทธรรมคุณมาภาวนาสามพิจารณาถึงหลักธรรมในแต่ละข้อธรรมคุณแต่ละข้อเนะี่ยแล้วก็น้อมนําธรรมะเหล่านั้นมาปฏิบัติอันนั้นคือตัวเนื้อหาสาระก็อย่างเช่นพระสงฆ์ที่จริงก็เป็นการสะท้อนธรรมคือสังขานุสติเนี่ยเป็นการสะท้อนธรรมที่เป็นรูปธรรมท่า ง, งลองสังเกตนะว่า การไม่ขบพานการคบบันดิตการบูชาผู้คนบูชาเป็นอุดมมงคลกับผู้ใดใคร่ธรรมเป็นผู้เจริญผู้ใดชังธรรมเป็นผู้เสื่อมถามว่าเหมือนกันไหมโดยภาษาไมนเหมือนกันแต่โดยเนื้อหาแล้วเหมือนกันคือหมายความว่าเราละเว้นความชั่วกับคนชั่ว คนหนึ่งพูดถึงคนชั่วพูดหนึ่งพูดหนึ่งพูดถึงความชั่วความชั่วมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้คนก็เป็นคนชั่วเพรา ะ, ะนั้นคำสอ น, นหนึ่งก็เป็นนามธรรมคำสอ น, นหนึ่งก็เป็นรูปธรรมแต่พอเราปฏิบัติมาอาการก่ต้องออกมาเป็นรูปธรรมความใคล้ธรรมเนี่ยก็คือการถ้าคนก็คือบัณฑิตยกย่องบูชาบุคคลที่วนแก่การยกย่องบูชา มันจะแตกต่างกันในเชิงภาษาแต่ว่าจะเหมือนกันในเชิงเนื้อหาเพราะพระสงฆ์กับพระธรรมที่จริงกันเดียวกันพระธรรมเป็นนามธรรมพระสงฆ์ก็คือเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามพระธรรมแต่แน่นอนพระธรรมก็สมบูรณ์พระสงฆ์ยังไม่สมบูรณ์เพราะพระสมฆ์กำลังปฏิบัติกำลังปฏิบัติให้ดีกำลังปฏิบัติให้ตรงกำลังปฏิบัติให้สมควรกำลังปฏิบัติให้เป็นธรรม เราก็เห็นการจางไปคลายไปบรรเทาไปของกิเลสแต่จะต้องเข้าใจประการปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสงควรนั้นไม่ใช่เฉพาะพระสงค์แต่หมายความว่าสาวกของพระพุทธเจ้าต้องปฏิบัติอย่างนั้นแล้วในแง่ของความเป็นจริงสัตว์โลกมนุษย์ชาติทั้งหลายนี่ต้องปฏิบัติอย่างนั้นมันเป็นเรื่องสากลนะ คนปฏิบัติไม่ดีอยู่ที่ไหนก็คือคนไม่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือในกรณีที่เป็นโลกาว ช, ชะคือเป็นโทษสากลอย่างที่พูดไว้ถึงกรรมกิเลสสี่ประการเนี่ยมันเป็นโทษสากลไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาไม่ได้เกี่ยวกับลับทธิคือศาสนากลัทธิที่ยึงเพิ่งเกิดะนะฮะแต่มนุษย์ชาติเนี่ยมันเกิดมาก่อนศาสนานะฮะ ธรรมะเกิดก่อนมนุษยชาติแต่มนุษยชาติอี่เกิดก่อนาศาสนาเกิดก่อนาศาสนาทั้งหลายาศาสาเราเพิ่งมาสังกัดเราเกิดแวะมาถึงเราก็มีาศาสนาแต่เรามีชาติเรามีชาติเรามีพ่อแม่เรามีสกุลเราก็มีเชื้อชา ต, ติอะไรต่างๆเราก็มีแต่าศาสนาที่จริงเรายังไม่มีะ มันเป็นการเข้าสังกัดในตอนหลังปัญธรรมะกับมนุษยชาติเนี่ยเข้ามาด้วยกันเพียงแต่ว่าเราเข้าถึงธรรมะเหล่านั้นได้ขนาดไหนทีนี้พอเข้าถึงธรรมะมันก็คือคนปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรในฐานะของตนเองแต่การต่อไปนี่เราจะเห็นว่าศรรีล สังคานุสีก็เหมือนกันนะคือสายายสังคคุณนึกออกคุณพระสงฆ์บทสังคคุณมาสายาม า, มาภาวนาแล้วก็พิจารณาถึงสังคคุณแต่ละบทแล้วก็น้อมนามาสังกคคุณมาปฏิบัติโดยเฉพาะย่างยิ่งคือสี่ข้อแรกส่วนห้าข้อหลังนี่มันเป็น เป็นสถานภาพของคนที่ปฏิบัติอย่างนั้นมันจะได้สถานภาพอย่างนั้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนทุกคนจะต้องไปเห็นว่าเรามีสถานะเป็นผู้ควรคับนับเป็นผู้ควรของตอนรับเป็นผู้ควรทําบุญเป็นผู้ควรทำมันเฉลีเป็นนาบุญของโลกมันเป็นเรื่องของคนที่เขาศรัทธาเลื่อมใสคนนับถือศาสนาอื่นเขาไม่เห็นเราเป็นอย่างนั้นหรอกเขาเห็นว่าเป็นคนนี่แหละคล้ายๆกับเราไปต่างประเทศอ่ะพระก็คือคนอ่ะคนเข้าเมือง คือเราจะไปคิดว่าเราเป็นพระคนจะต้องให้เกียรติจะต้องยกย่องจะต้องมีอภิสิทธิ์อะไรไ ม, ไม่ได้หรอกคือเราจะรีบวามันเป็นเรื่องในสังคมพุทธที่เราปฏิบัติ ด, ดีเนี่ยเขาอาจจะว่าปฏิบัติไม่ดีก็ได้เห็นพระก็ถามว่ามีหน้าที่อะไรมีหน้าที่ศึกษามีหน้าที่ปฏิบัติมีหน้าที่เผยแผ่มีหน้าที่ดูแลรักษาศาสนาก็าบอกไม่เห็นประกอบอาชีพอะไร คนบางพวกเขาก็ด่าศาสนาพิจาาเสร็จติดอะไรต่างๆที่เราเคยได้ยินเนี่ยเพราะงั้นการเบัติดีไปจดประตรง้งปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัตสิสมคุดเป็นสากลแต่ว่าสังคมจะยอมรับหรือไม่นั้นเป็นอีกเรื่องห น, น, นึ่งในเรื่องของคนศีลอนุสติที่จริงก็คือการรำลึกถึงศีลที่เรารักษาเราสมาทานารักษามาแล้วในอดีต แล้วก็มาคิดที่ปัจจุบันพอเราเริ่มคิดเนี่ยมันจะเกิดปีติเกิดปีทิปิติมันก็จะเกิดสงบเกิดสงบมันจะเกิดสมาธิมันจะเดินที่อาการรำลาลึกเนี่ยมันก็คืออาการของสติสัมปชัญญะแล้วก็ความเพียรกดในที่นี้ก็คือสติธรรมวิจยะแล้วก็วิรยิยะจิตมันก็เดินเข้าไปในกระแสของโพชฌงอีกสามข้อ จาการุติมีลักษณะอย่างนั้นคือหลังจากบริจาคไปแล้วจาคาอนุสติคือตั้งสติตามลึกถึงการสละการบริจาคของตนซึ่งการสละการบริจาคของตนนั้นเป็นอดีตศีลเป็นอดีตรเราเห็นว่าศีลเป็นอดีตพุทธานุติที่จริงก็เป็นอดีตแต่ปรากฏในปัจจุบัน ใจเราก็น้อมไปแต่มาอยู่ที่ปัจจุบันนะ่ทั้งหมดก็มาอยู่ที่ปัจจุบันถ้าเราเห็นผลใ น, น, น, นงานในส่ง์ของการจากะการเสรละของเราปีติประโมทก็เกิดพอเกิดปีติก็เกิดปราโมทเกิดปีติก็เกิดปัสสติที่จริงปราโมทผมก็เกิดนะฮะแต่ว่าตอนนี้นท่านท่านท่าไม่เรียกไอจิตมันสงบ กายสงบวาจาสงบจิตสงบพอจิตสงบมันก็เข้าสู่สมาธิสมาธิมันก็เดินไปเรื่อยนะฮะจนถึงเบคขาคือการให้รายละเอียดเนี่ยบางทีไม่ได้ให้ให้ทั้งหมดมันคล้ายๆกับว่าเราพูดกรุงเทพมหานครสวรรค์ก็ไม่พูดจังหวัดที่เราผ่านอ่ะแต่เราก็ต้องรู้มันต้องผ่าน มันต้องผ่านกรุงเทพต้องผ่านปทุมธานีต้องผ่านอยุธยาต้องผ่านอ่างทองต้องผ่านอะไรล่ะต้องผ่านสิงห์บุรีต้องผ่านชัยนาต้องผ่านไปจึงึงไปถึงนครสวรรค์ก็ไม่ต้องพูด่ะพูดว่าไปนครสวรรค์ไม่รู้กันธรรมะจะมีลักษณะอย่างนั้นคือไม่จําเป็นจะต้องพูดอ่ะเรื่องบางข้อไม่จําเป็นจะต้องพูด แต่โดยกระบวนการแล้วเนี่ยเขามีเช่นว่าปีติปราโมทเนี่ยมันมันป็นกาศเป็นการเกิดต่อเนื่องกันถึงจุดหนึ่งมันก็สงบปรียกปัสติแล้วก็เป็นสมาธิสมาธิมันก็เดินไปตามขั้นตอนสมาธิอยู่ถึงจุดหนึ่งก็เป็นอุเบกขาทีนี้เทวตานุสติเนี่ยมันระลึกได้สองแนวแนวหนึ่งก็คือระลึกถึงตัวเทวดา เบอร์ต้องอารใส่ความเชื่อเทวดาเนี่ยเพราะว่าเราเองเราก็ไม่เคยสัมผัสเทวดาอาศัยความเชื่อต้องความมีอยู่ของเทวดาในฐานะที่เป็นสัตว์ในกามบาจรภูมิและรูปาวจรภูมิะลอดถึงโอารูปาวจรภูมิเพราะาบางทีเรียกหมดเรียกรวมเอยอเป็นสุกติภพเ ร, เรียกรวมทั้งหมดหละ การเป็นเทวดานั้นก็เป็นแปลว่าเชี่ยวเล่นหรือความสนุกสนานเพลิดเพลินมันเทิงใจเราก็เกิดต้องการจะเป็นเทวดาก็เกิดไปศึกษาธรรมะทีนี้ธรรมะปริยายของธรรมะที่เป็นเหอกคนเป็นเทวดาเนี่ยที่จริงพูดสรุปนะครกุศลธรรมทั้งมวลการละ บ, บาปบันเพ็นบุญระดับหนึ่งทั้งมวลเป็นเหตุแห่งสุคติอะไรกันล่ะ เห็นไ่มสีเล น, นะสุกติงยันติบุคคลจะบังเกิดในสุกติได้ก็เพราะสีนก็แค่ห้าข้อห้าข้อก็สาหัสแล้วสังคมไทยเราเนี่ยวันกรนวันที่ตะลายวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งธันวามีการประรบเรื่องโรคเอดโรคอะไรก็พูดกันมากมายไกลกองก็เป็นเรื่องที่น่าห่วงแล้ว จะมาเองฟังแล้วอึดอัดนะว่าทำไมไม่มีสำนึกบ้างล่ะโรคเอชเป็นโรคที่มาแรงแล้วมาเร็วแล้วก็รู้เร็วรู้สาเหตุที่เกิดเข้ามันเร็วมันไม่จำเป็นจะต้องดินดน้นรนไปหายาหรอกโรคมันต้องใช้วิธีป้องกันไอ้ยานะมันเป็นเรื่องสุดท้าย บำบัดน่ะเป็นเรื่องสุดท้ายโรคเนี่ยเขาต้องป้องกันนะฮะบนเมืองข้าศึกนี่มันต้องป้องกันมันไม่ใช่ไปขจัดเพราะขาจัดเนี่ยเขารุกเข้ามาในพื้นที่แล้วก่อจะปราบปรามกองทัพข้าศึกได้เนี่ยบ้านเมืองเราก็พังมาเป็นแถ บ, บแล้วเพระาะก็จะมองในแนวของกัรป้องกันเราก็รู้กันชัดเจนนะโรคเอชเนี่ย มันเกิดมาจากเพศสัมพันธ์ความสัมสอดในทางเพศแปสิบกว่าเปอร์เซ็นตะ์เกิดมาจากการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันก็สืบเนื่องมาจากยาเสพติดก็ฉีดกันไปฉีดกันมาแทนที่ว่าฉีดยาครั้งหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนนะทิ้งฉีดยาครั้งหนึ่งแล้วก็ทิ้งแอย่างโรงพยาบาลนี่ก็ฉีดครั้งเดียวก็กทิ้งแ่ะแต่พวกนี้เขาไม่ทิ้ง มันก็รู้แสน ร, รู้ก็ทิ้งเลยทีเหล้ว ท, ลทางที่ดีที่สุด ก, ก็คือจะเสพยาอีกอย่างหนึ่งก็คือ ก, กิดกันทางบาดแผลแล้วก็สามอย่า ง, น, งนั้นเองก็ที่จริงยุ่งยากกว่าโรคไข้หวัดนกเต็ยุ่งยากยุ่งยากน้อยกว่าไข้หวัดนกเราหวัดนกมันมั น, มนเราป้องกันยากมันไม่รู้จกมาจากนกตัวไหนนนกมันมาทางอากาศ แต่โรคนี้มันเราวิ่งเข้าไปหาโรคนะเราสังเกตนะโรคมันได้วิ่งมาหาเราเราวิ่งเข้าไปหาโรคคุณฟังแล้วก็ก็รู้สึกอย่างนั้นนะนะรู้สึกว่าความยากลายเป็นเรื่องที่น่าสงสารมากกว่าความไม่รู้เป็นเรื่องที่น่าสงสารมากกว่าปัญหาจักรรมทั้งหลายเป็นเรื่องที่น่าสงสารแต่ว่าโรคเอดเ์นี่ยมัน นันขาดสานึกรับผิดชอบในตัวเองขนาดนี้ก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงนะคือไม่ใช่ว่าต้องต้องให้คนอื่นช่วยพอพูดจะพูดถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ก็ไม่รักษาศักดิ์ศ ร, รีตัวเองบ้างอนั่นเราเห็นว่าเทวตานุสิติยมันจะมีเยอะมากเพราะจริงๆในแง่ของความความเป็นกุศลธรรมเนี่ย ฮิริอุต ป, ปะปสองข้อก็ทำให้คนมาเกิดเป็นเทวดาได้ละเอาแม่ตาข้อเดียวก็ไปได้กุศลกําบดเนี่ยพระเจ้าทรงแสดงเฉพาะกุศลกําบดที่เขามีความเข้ม ข, ข้นขึ้นไปโดยลำดับเนี่ยเป็นหมดเลยจนถึงพระอระหันต์เลยเพราะอะไรพระยาลืมว่ากุศลกําบดข้อที่สิบเนี่ยมันเป็นสมาธิธ สมาธิที่สมบูรณ์นี่คือเห็นริยศัจสี 4. มันกลายเป็นสัมมาญาณนะสัมมาญาณก็สมัยมุตมุจุตศรัทธาศีลจากะศรัทธาศีลสุตะนะการศึกษาจะาต่างมากแล้วก็จากะปัญญาก็เป็นทางแห่งสุกติ ผการประกันเป็นเทวดาเทวดาน ท, ท, ที่จริงจะมีอยู่เยอะมากการให้ทานเนี่ยก็เป็นเทวดาได้อย่างการตัดใจเรื่องใสาในพรัตนตรัยเนี่ยก็เป็นเทวดาได้เผลจริงการเป็นเทวดาเนี่ยมันเป็นไม่ได้ยากหรอกแต่ว่าใจคนไม่หนักแน่นมั่นคงเราเจนว่าใจมันจะเลื่อนไหลไปตามกระแสอารมณ์กระแสกิเลสมากก็ทําให้ แก้ไขปัญหายากหน่อยทีนี้ประการต่อไปมันก็คือกอารออกคือข้อต่อไปอุปสมานุสตินะอุปสมานุสติคือการตั้งสติระลึกถึงคุณของปณิพัน์แม้แต่การทําใจสงบเนี่ยอุปสมะอุปสมะในคาวาสธรรมน่นนะอุสมะก็คือการทําไม่ใช่คารวะสธรรมคืออธิฐานธรรมะ พระเจ้าทรงใช้คาว่าสันติเมวะโสสิกขยะพึงศึกษาทางแห่งความส ง, งบอะไรก็ตามที่ทําให้มันส ง, งบให้กายส ง, งบวิช า, าส ง, งบใจส ง, งบแล้วก็ทําอย่างนี้คือลักษณะต่างๆมันเป็นการหาเรื่องนี้เยอะในบ้านเร า, ารนี่สงบเรานีนเรื่องหาเรื่องนี้เยอะม嘛 รือทำไมไม่หยุดจะบ้างอย่างนี้ปัญหาพระเดินขบวนพระปัท่วงออกอะไรวิธีการแรงๆเอามาจากไหนอ่ะมันมีที่ไหนในพระพุทธศาสนาพระเดินขบวนเขานำสืบศาสนามาตั้ง 2,500 กว่าปีแล้วคุณมาไม่กี่วันคุณทำป่วนหมดศาสนาเนี่ยเอ้คือมันขาดสำนึกอะ ใจมันไม่ส ง, งบวันวันทำอะไรกันก็ไม่รู้สูงหัวพูดกันในเรื่องธิราชาระเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะแล้วมันกระทบหมดพระเนี่ยพอมีพระองค์ไหนเดินกระบวนเราก็ถูกมองด้วยและสังคมในปัจจุบันมันเป็นสังคมที่ไหลไปตามกระแสเขาด้วยการตามไปแก้ไขนี่ยากนะนอกจากว่าป้องกัน จะนปัญหาเกิดขึ้นเป็นข่าวลือไปแล้วแล้วตามไปแก้ไขเนี่ยไม่มีทางแก้ได้หรอกมันอยู่ในใจก็ก่อนและใจเนี่ยมันประกอบด้ยพื้นฐานของบีหิงสาทาัดมันพอใจมันสะใจมันเป็นอาหารของความเบียดเบียนความพิตกกร้อนเสียหายของบุคคลอื่นเน่มันเป็นอาหารของความเบียดเบียน ใจมันรู้สึกสะใจมรู้สึกอึบอิ่มที่ได้กินอารมณ์ในลักษณะ น, น, นั้นป้องกันทำใจสงบก็คืออะไรก็ตามที่เป็นค่าศึกต่อความสงบหลีกหนีได้เป็นหลีกหนีบรรเทาได้เป็นบรรเทาป้องกันได้เป็นป้องกันสงบได้เป็นสงบละได้เป็นละทำไปตามที่เราจะทำได้ ทีนี้ในองค์ประกอบข้างนอกเนี่ยมันก็เหมือนเดิมทุกแข่งคือหมายความมาต้องหลีกหนีคนที่เป็นโทษมันเป็นอุปสรรคขัดขวาง เ, เช่นสมมติว่าคนที่ไม่ศรัทธาเลื่อมใสในพระธรรมตรัยเนี่ยไปคลุกคลีเขาไม่ได้ครับเดี๋ยวเขารบกพุงไปเลยมันก็ต้องหลีกเว้นน่ะ แล้วก็คขาผาสมาคมกับคนที่เรียกว่าเป็นกัยาณมิตรเพราะถ้าเขาได้กันยาณมิตรก็คือก็คืออะไรล่ะก็คือคร บ, บันดิตหรือจิตใจไฟทรรมอยู่เสมอมันก็ไปได้ด้วยกันทั้งสองฝ่ายแล้วก็พิจารณาถึงพระสูตรอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใส เอาพระสูตรคุ้นๆเนี่ย น, นะเอามาพิจารณาคุ้นๆที่จริงก็ไม่ควรเดี๋ยวประสูตรพระสูตรยากๆก็ได้เอาประสูต ร, กกรง่ายๆเช่นสารานิยธรรมประสูตรอย่างเงี้ยพระสูตรที่เป็นเหตุให้คนมีความรู้สึกดีต่อการรักใคร่ผูกพันการระลึกถึงกันระลึกถึงซึ่งกันและกันเนี่ย โอ้ถ้าสังคมไปได้เนี่ยนะมีธมรรมะอยู่แค่หกข้อเองเป็นเมตตากายกรรมแสดงทางกายทางการพูดทางการคิดก็ที่จริงก็คือที่คิดอย่างเดียวอ่ะทีนี้ถ้าเมตตามันเป็นฐานจิตได้มันก็จะมีน้ำใจอบอ่นมารีเอยเพื่อเผื่ อ, อแผ่ตูคนทั้งหลาย สเสียลาผลประโยชน์ต่างๆเกือกูลสรงเคราะห์แก่บุคคลอื่นแล้วก็พยายามปรับตัวเองให้มีศีลเสมอคนอื่นเคารพกฎหมายเช่นเดียวกับที่คนอื่นเขนาเคารพแลวเราสัาเกตราบางครั้งบางคราวเนี่ยแต่วันก่อนที่พวกมอบครูเดี๋ยเขามาเนี่ยโอ้ยทำมาติดติดเ ต, ตป่วนเลย จะไปหาหมอตามปกติเราก็ไปทางธรรมดาเนี่ยไปไม่ได้ต้องอ้อมไปขึ้นทางด่วนไปเลยอันนี้คือคือคือสร้างปัญหาสร้างปัญหาให้กับคนอื่นทึ่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยคระบเพราะเราจะเห็นว่าถ้าจิตมันขาด การใฝ่ธรรมะแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยคิดอ่ะมันต้องการความสะใจแล้วก็ไม่มีสติปัญญาเหตุผลเป็นครูบาอาจารย์เรียนหนังสือมาอย่างไงไปติดใจกับคาว่าตามความสมัครใจแล้วไม่ใช่เรื่องของยุคสมัยเราตอนนั้นนะพวกคุณที่เดินขบวนในีตายหมดแล้วกรเสียดหมดแล้วว่าจะเกิดความพร้อมแล้วก็สมัครใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายที่จะ ช่วยกันบริหารองคอ์กรเนี่ยมันเว้ยไออปทอเองก็ชุดไหนก็ไม่รู้ครูบาอาจารย์เองก็รุ่นไหนเราก็ไม่รู้แล้วปยุ่งละทาไมกับอนาคตเขามากมายขนาดนั้นเนี่ยคำพูดเราตามความสมัครใจนี่ไม่เห็นมีอะไรเลยเมื่อไม่สมัครใจก็จบเท่านั้นเองและไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคุณด้วยคุณไม่สมัครใจคุณก็ไม่สมัครใจแล้วคุณไปบังคับคนรุ่นใหม่ก็ได้ยังไง อนนี้คือเราจะเห็นว่ามันใจมันไม่สงบ ม, มันไม่ได้ใฝ่ธรรมแล้วก็อ้างศักดิ์ศรีอ้างความเป็นปู่เจนียิยบุคคลอ้างเป็นนักวิชาการอ้างอะไรแต่ละก็ผ่านักวิชาการภาษาไทยขนาดนี้ไม่เข้าใจจระดังนั้นใจจึงต้องน้อมไปที่ปีเตัมพชงอะไรก็ตามที่สบายใจสุขใจดีใจ ้าเราทิศถิดเสมอกันเอาความเห็นเสมอกันมันก็ไปมีประนอมกันได้มันไม่แปลกอะไรเรื่องทั้งหลายเนี่ยบางทีในเราจะเห็นว่าเช่นสมรสสารตัดสินว่าตัดสารบอกว่าไม่เกินยี่สิบปีเนี่ยตัดสินสองวันก็ได้เขาก็ดูความหนักเบาของโรคของโทษ คือลักษณะทั้งหลายเนี่ยเขาจะมีภาษาที่อ่อนตัวนะภาษากฎหมายเนี่ยมันจะมีภาษาที่อ่อนตัวไม่ใช่ว่าแข็งกร้าวจนอย่างนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่ได้นะมันเป็นพระเด็จการไปแล้วเพรา ะ, ะนั้นก็ตัวสติตัวสัมปชัญญะตัวความเพียรเนี่ยก็คงเป็นหลักอยู่นั่นเองซึ่งก็หมายความว่าไม่จําเป็นจะต้องพูดเรื่องโพธิวงพูดเรื่องอะไรก็ตามสามข้อเนี้ต้องมีอยู่ตลอดไป